เวลาแล้วก็โอกาสของมรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มีโอกาสที่จะทำให้จิตใจของท่านนั้นหลุดพ้นจากสภาพของความมัวหมองทางใจแล้วก็ให้เล่งเสียงให้อีกนิดหนึ่งเอาเสียงหลวงพ่อไม่มี แล้วก็ให้เสียงแหลมขึ้นอีกนิดหนึ่งนะดังขึ้นหน่อยก็น่าจะโอเคหลายวันใช้เสียงไปเยอะก็น่าจะลอยหลอเหมือนกันอ่าก็ให้บรรดา ญ, ญาติโยมทั้งหลายจงรวบรวมสติและกำลังใจว่าโอกาส วันหนึ่งคืนหนึ่งที่เราเกิดมาเราแทบจะไม่มีโอกาสรู้ตัวรู้ตนของเราเลยแต่ในขณะนี้พระพิสุสั ม, มเนนท่านทั้งหลายรวมทั้งญาติสัมมาปฏิบัติทั้งหลายค่อยๆนึกไปว่า ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าสภาพจิตในวันแรกกับวันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าท่านมีสติรู้ตัวแล้วก็ค้นหาตัวเองในการประพฤติปฏิบัติ ก็จะรู้สึกความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงวันแรกๆเรากว่าจะคับประคองอยู่ในองค์ภาวนาภาวนาก็คือปานานุสติก็คืออยู่ในองค์ภาวนาเรารู้สึกภาวนาเนี่ยไม่ค่อยมีความสุข ประกอบกับความวุ้งส้านที่เราไม่เคยได้ฝึกอยู่เป็นอาจินมันวอกแวกแม่ก็นั่งขณะนั่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรานั่งไม่สนัดบ้างจิตใจของเราในขณะนี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ต้องสรรเสริญกับพระคุณเจ้า ความสงบความฟุ้งซ่านของจิต ท, ท่านก็คือจิตวิญญาณกับกายวิญญาณเนี่ยลดน้อยลงไปความลังเลสงสัยการนั่งนั้นก็นานขึ้น mm hmm. เรียกว่ามีสติมีสติปัญญาเนี่ยมั่นคงมากขึ้นไม่เหมือนกับวันแรกๆวันแรกๆ ร, รู้สึกหนะ ร้อนรู้สึกอึดอัดรู้สึกนั่งเลใจว่าเราจะอยู่สักกี่วันดีอยู่ไม่อยู่เปล่าก็มีความคิดอีกว่าเราจะฝึกไปทำไมสอนอะไรก็ไม่รู้มันเกิดความกระสับกระส่ายทางใจแล้วก็ทางกายแม้นกินอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ อยู่ร่วมกับคนอื่นก็พยายามมองคนอื่นบางคนก็มองว่าคนนั้นสวยบางคนนี่หล่อบ้างตามสภาพของอารมณ์ปรุงแต่งที่เคยชินแต่ในขณะนี้ท่านทั้งหลายกำลังมีสติมากขึ้นและมีกำลังจิตมิญญาณที่บริสุทธิ์มากขึ้น นจากปัสจาความมัวหมองมากขึ้นก็คือกิเลสรู้สึกฉันก็น้อยลงอาหารที่เราเคยฉันอย่างอร่อยอร่อยก็รู้สึกเราลงบางลงฉันไม่ได้มากเหมือนกับวันแรกๆแล้วเราก็ฉันมากอย่างนี้เนี่ยทำไมเราถ่ายน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราถ่ายน้อยลง การพูดการจาเราก็รู้สึกว่าเรานั้นพูดน้อยลงการคิดการฟุ้งซ่านต่างๆนานาเราก็รู้สึกว่าเราคิดน้อยลงความฟุ้งซ่านความสงสัยก็น้อยลงจากวันแรกๆในขณะ น, นี้พอนั่งจุบเนี่ย รู้สึกว่าสมาธิเราเนี่ยมันเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันรู้สึกเด่งสบายความเปิดเมื่อยล้าในร่างกายความร้าของจิตใจความฟังฟุงฟ้งซ่านของจิตใจนั้นรู้สึกว่ามันน้อยลง มันเกิดความนิ่งเฉยอุเบกขาวางเฉยร่างกายมันเฉยแต่ว่าุกใจภายในลึกๆเรียกว่ามีปิติในตัวตนๆเข้าสู่สภาวะของสมถะเราไม่เคยมองเห็นตัวตนของเราเราก็เริ่มนึกมองเห็นตัวเราเนนั่งอยู่ เราไม่เคยรู้สาเหตุว่าอ๋อรูปนามเนี่ยเป็นสิ่งสมมติมเราก็เริ่มรู้ว่าสังขาร น, นี้มันไม่เที่ยงการคิดที่เป็นทุกข์ก็คือการสมมติในการคิดการคิดที่เป็นสุขเราก็เป็นสมมติว่าเป็นความสุขก็คือเป็นความยินดีถูกใจนั่นเองสรุปแล้วทุกสุขในการยึดไม่ได้ จิงใดที่สุขที่สุดมีไหมในชีวิตเราเราลองปัถนานึกดูสิมันนึกไม่ออกโยมมันเป็นความสุขที่เรานึกไม่ออกว่าสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไร <c oughs> อาตมาก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าสุขที่แท้จริงที่สุด ข, ของความสุขเนี่ยมันคืออะไรในปัจจุบันที่เราอยู่นะ แต่นักปฏิบัติทั้งหลายเรารู้เหตุแล้วว่าสุขที่แท้จริงเนี่ยก็คือความว่างเปล่าบุญก็คือความว่างเปล่าคนมีบุญเนี่ยมักจะกินอิ่มนอนหลับในอันดับแรกๆที่หลวงพ่อพูดถึงไม่มีความลังเลฟุ้งซ่านในขณะนอนก็นอนหลับซะจริงๆคือได้พัก ในขณะหลับเนี่ยก็ไม่ฝันดีฝันลายหลับสนิทถึงเวลาก็ตื่นจิตมันทางานเรียกว่าจิตวิญญาณมันทางานก็เหมือนในขณะนี้เนี่ยเราก็ชักจะทานน้อยลงไปนอนก็นอนน้อยลงไปแต่ในขณะนอนน้อยทานน้อยเนี่ยทำไมเรารู้สึกไม่ง่วงไม่เพีย เราได้สังเกตตัวเองไหมเราทำไมไม่ง่วงไม่เพียไม่หิวไม่หอย <c oughs> ไม่ทุนลนทุ่ลายต่อความเป็นอยู่แสดงว่าจิตเราเนี่ยมันว่างขึ้นความลกลงหลั ง, ลงความมัวหมองของความคิดฟุ้งซ่านปุ่งแต่งในชีวิตที่เราเนี่ยแบกภาละ ทำไมหลวงพ่อจึงบอกว่าแบกภาระภาระนี่คือต้องใช้พลังอย่างมากพลังของกิเลสคือความโลภที่เราเนี่ยแปลเปลี่ยนความคิดที่จะได้อยากหาทุกสิ่งทุกอย่างเอามาครอบครองในชีวิตแม้ร่างกายเราก็หนักอยู่แล้วนะดินน้ํามลมไฟนี่เราก็แบกสังขารตัวเองเนี่ก็หนักมาก คนอ้วนเท่าไรเนี่ยขนาดเข่าขายังยันไม่ไหวกระโดกระเดกรกับน้ำหนักไม่ไหวทานมากเท่าไรก็ประอืดประอมจะต้องหนักเข้าไปทั้งล่างทั้งกายเกิดอึดอัดหายใจไม่เป็นปกติเพราะว่ามันอึดอัดหนักมากห่างกายเราเพราะนั้นคนอ้วนเนี่ยก็จะบ่นว่า <c oughs> เจ็บแข้งเจ็บพวกเขา่านะเป็นโรคใจเป็นโรคไขมันอุดตันหัวใจก็ทำงานไม่เต็มที่ปอดก็ทำงานไม่เต็มที่ส่วนไอไตเนี่ยก็ทำงานมากกว่าผิดปกติจะต้องฝอกเลือดปอกน้าจะต้องทำทุกอย่างไอร่างกายเนี่ยก็ถูกสารอาหารที่ตกค้างจากเป็นพิษบ้าง เป็นไผบ้างเป็นไขมันบ้างซากปืชซากสัตว์ทับถมกันมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้สังขารเราเนี่ยผิดปกติมันหนักมากเหมือนกับความคิดของเราความคิดที่จะกรอบโกยเอาทรัพสมบัติภายนอกก็คือแก้วแหวนเงินทองที่เอามากักมาตุนกันไว้มันหนักมาก มันจะต้องรับภาระดูแลเลี้ยงดูหาทดแทนในสิ่งที่ได้มาแล้วไม่ยอมเสียไปก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นภาระความคิดเรียกว่าจิตวิญญาณที่ผูกติดนักปฏิบัติทั้งหลายก็แยกแยกออกถึงกายวิญญาณระหว่างกายมันก็หนักแล้วจิตวิญญาณที่เคยบริสุทธิ์ตั้งแต่เด็กมา ก็มากโดยความสะสมกิเลสมากขึ้นเหมือนเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็คิดอยู่คนเดียวไม่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องโตตอบโต้เถียงไม่ต้องไปเชื่อไปฟังความคิดของคนอื่นเอามาใส่สมองมาจดมาจำแต่สัตว์โลกนั้นเป็นสัตว์สังคมสังคมไม่ว่าจะเป็นสัตว์แมลง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะต้องอยู่ร่วมกันอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะจากหนึ่งก็เป็นสองจากสองก็เป็นสี่จากสี่ก็เป็น8จาก8ก็เป็นสิสองแยกไปเรื่อยเรียกว่าสิบสองราศีราศีแห่งการเกิดแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่เป็นราศีสัตว์ทั้งสิ้น อ, อ่ ไม่ตั้งแต่ปีชวดชวดกันหนูชัลูก็วัวขานก็นเสือทิบสองราศีเนี่ยที่ท่านเกิดนั่งอยู่เนี่ยรวมทั้งหลวงพ่อด้วยก็มีราศีสัตว์ที่เป็นแดนเกิดเรียกว่าสัตว์ประเสริฐที่เขาอวยพรยกย่องกันว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐ มากโดยสติปัญญาพัฒนาหาเลี้ยงชีพพัฒนาทุกสิ่งตัวอย่างตั้งแต่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารแล้วก็เครื่องนุ่งหม่มมีการพัฒนามากกว่าสัตว์อื่นๆก็เลยนึกว่าตัวเองฉลาดปราดเปรื่องมากมายหยิบยกย่องสถานภาพของการสะสม กเลสต่างๆนานาหาอุบายต่างๆนานาที่จะได้ซับภายนอกมาก็คือแก้วแหวนเงินทองสมัยก่อนไม่ต้องทำกงเหล็กใส่กุญแจเหล็กขมโมยขมาไมยมันก็มีตั้งแต่บรรทัพบรุษมาแล้วแต่ก็มันก็น้อยน้อยมากอย่างทิ้งบ้านอาหารการกินก็ไม่มีพิษมีภัยมากมายเหมือนขณะนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จเจริญหูจเจริญตาองค์สมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าต่อไปมนุษย์เนี่ยมันถึงที่สุดแล้วมันถึงตอนปลายมนุษย์เนี่ยไม่ต้องปฏิบัติจเจริญภาวนาเลยจะได้หูทิพตาทิพโดยที่ไม่ต้องปฏิบัติแต่ก็จะโง่ลงโง่ลงแล้วก็จะมีปัญหามากขึ้นมากขึ้น เรียกว่าโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายหนอที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ปัจจุบันเราก็มองเห็นแล้วว่ามนุษย์เริ่มกลมนาแล้วไม่มองฟ้ามองดินไม่มองสิ่งข้า ง, างๆโคโค่เด็กสมัยนี้เล่นแต่เกมหมกมุ่นอยู่กับไอที ก้มหน้านั่งกันไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็นั่งเอานิ้วเขีย่ยกองแกงกองแกงก็ทั้งบ้านตัวเองก็ยังไม่ออกมาหาพ่อหาแม่อยู่แต่ในห้องเล่นแต่เกมเล่นแต่ไลน์ได้แต่โทรศัพท์มีหูทิฟต์ตาทิฟก็คือเห็นมีทีวีเห็นให้หมดเลยทั่วโลกในโลกใบนี้เนี่ย เราสามารถสัมผัสรู้เห็นหมดไม่ว่าประเทศไหนประเทศไหนเราก็เห็นหมดหูทิพย์ไม่ว่าจะอยู่โลกไหนประเทศไหนเราก็โทรคุยกันได้เรียกว่าหูทิพย์ตาทิพย์มนุษย์ต่อไปไม่ต้องใช้ยานใช้ฌานเหาะเหินเดินอากาศไม่ต้องมาปฏิบัติมากมายมีปัจจัยก็คือมีเงินมีทองเนี่ย ก็อเอาเงินไปนะขึ้นเครื่องบินเลยเหาะข้ามฟ้าข้ามทะเลไปเลยเหาะเหินเดินอากาศเขาเรียกว่างัน้นมีฤทธิ์เดชแต่สิ่งที่เราได้เกิดขึ้นมันจเจริญทางหูทางตาจเจริญทางการกินการอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันทําให้โง่ลงทําไมหลวงพ่อบอกว่าทําไมมันจึงโง่ลง มนุษย์เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยสนใจพ่อสนใจแม่แล้วก็อยากรู้อะไรก็กดกดโทรศัพท์ว่าอันนี้มันหมายความว่ายังไงคำว่าโปรดปานเนี่ยมันหมายความว่ายังไงจังหวัดไหนไปทางไหน G.P.S ขึ้นมาให้เห็นเลยมนุษย์รู้จักหาข้อมูล แต่ไม่รู้การกินการอยู่ของปัจจุบันมันหมกมุ่นนะเขาเรียกว่าหมกมุ่นเมื่อเรามีความหมกมุ่นรู้แต่ข้อมูลแต่ไม่รู้ข้อเท็จจริงข้อเท็จก็คือไม่ถูกนะเราไม่ได้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆมนุษย์จึงมีความรัก รักเนะี่ยมันคือรอเรือนะความรักรักด้วยความใคร่นะไม่ได้ใคร่ครวนก่อนไม่มีสตินึกคิดได้แต่มีแต่ความปรุงแต่งว่าความรักก็จะต้องมีคลิปอย่างนั้นอย่างนี้นะตอนเราสับเนี่ยมีคลิปส่งมาเลยว่าประเทศญี่ปุ่นเกาหลีนะี มันหยาบการกันยังไงมันมีความเพศสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างดาราก็มีผ้าน้อยลงน้อยลงผู้หญิงก็แต่งตัวก็มีผ้าน้อยลงน้อยลงและความโง่ความละอายมันน้อยลงขึ้นไปบางคนรักกันตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวได้แต่เห็นหนา้าได้แต่เห็นภาพ ความรู้สึกว่าถ้าเกิดศึกสงครามเนี่ยเกิดภัยวิบัติน้ำท่วมเกิดศึกสงครามขึ้นมาเนี่ยเราจะทำชั้นใดแผ่นดินก็เริ่มเสื่อมลงไรนาพืชสวนนี่ก็เสื่อมลงมนุษย์ก็เช่นเดียวกันมีสภาวะจิตใจก็เสื่อมลงคนที่มีลูก คนที่มีหลานคนที่มีครอบครัวเนี่ยมันเหมือนเรามีภาระมากขึ้นโรคหลานของเราเนี่ยไม่เคยช่วยเราทำมาหากินใช้แต่เงินเรียนก็ไม่สนใจสนใจแต่ติดเกมวันหนึ่งก็ไม่เคยคุยกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายไม่เคยดันรถดันลาหาข้าวหาปลาให้เรากินสักจานหนึ่ง เราอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้ง20ปี30ปี10บกว่าปีเอาแค่เจขวบนี่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้11 12ขวบนี่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนถึง15 1 6้าสิบหกสปีก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้21ปีจบปริญญาตรี เมื่อจบแล้วก็จะต้องแย่งชิงสอบแข่งขันเพื่อจะได้หางานทำงานเดี๋ยวนี้ก็ทำมีงานเยอะแต่เงินดูเหมือนน้อยลงให้เงินเยอะก็จริงก็มูลค่าเงินก็น้อยลงบางคนก็ออกไปเลยไม่กลับบ้านกลับช่องจะโตหาพ่อหาแม่สั ก, กลิ้งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มี โตหาแต่ว่าคนที่ยินดีพอใจก็คือคนรักโตหาผัวหาเมียไอพ่อแม่ก็สแสวงหาทรัพย์สมบัติสแสวงหาข้าวปลาอาหารไว้บำลงบำเลอโกว่าลูกนั้นจะไม่แข็งแรงไม่มีแรงทำงานเดี๋ยวลูกจะไม่ได้กินได้นอนไม่ได้พักผ่อนเพราะว่าเรียนเยอะคิดว่าอย่างนั้น เราลองมาคิดดูว่าโรคของเราเนี่ยมันถึงจุดเสื่อมเสื่อมไม่พอก็โสมกับทั้งดินทั้งป่าทั้งน้ำแหล่งอาหารต่างๆก็เสื่อมสมพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะเกิดโรคที่รักษาไม่ได้จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ถูกพัฒนาจะมีเครื่องประหัดประหาร มนุษย์ด้วยกันอย่างรุนแรงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มนุษย์จะวางยาพิษให้กับตัวเองมนุษย์สร้างแล้วก็จะต้องทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็จะทำลายมนุษย์ผุพังไปทีละน้อยทีละน้อยตามสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เห็นอยู่แล้ว ภูเขาก็ยังระเบิดออกมาเป็นปุ่นเป็นทรายแต่เอามาเป็นปูนป่าไม้ก็ไม่มีใครปลูกมีแต่ตัดมีแต่โค่นมีแต่ทําลายแผ่นดินก็ไม่สามารถที่จะอายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในหมู่สัตวนะ์และแมลงมนุษย์ที่จะได้อาศัยต้นไม้ก็เปรียบเสมือนปอดของโลกปอดของเรา เราจะต้องมอีมนุษย์จะต้องอาศัยออกซิเจนที่ผลิตจากต้นไม้เรามาเปรียบเทียบกันง่ายๆว่าเราอยู่รวมกันมากขนาดนี้เนี่ยเราแย่งกันขี้เนี่ยห้องน้ำเนี่ยถ้าจะพังทลายออกมาแย่งกันทานเนี่ย หมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยโปปลาเนี่ยต้องเสียสละเลือดเนื้อชีวิตเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็น ล, ล้านๆชีวิตหมูก็นาก่ากลัวจะเป็นร้อยตัวนะเฉพาะเห็นกุ้งที่มาเนี่ยเป็นแพ็คเป็นลังเนี่ยมันหลายร้อยตัวมันมากมายไอ้พระหาไี่นั่งทีไรโกนคอกๆทุกที อยู่ใกล้เดี๋ยวจะน้ำศาสาตท์ทีไอ้นุงพ่ออะไรเนี่ยนั่งจนขาดสติเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายดูจุดเสื่อมของของมนุษย์จุดเสื่อมของธรรมชาติทมก็คือทอทงรอเรือสองตัวแล้วก็มอมา้า เรียกว่าธรรมะชาติตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าชาติเชื้อที่เกิดขึ้นแต่ธรรมะตัวนี้เนี่ยมันเริ่มหมดไปพระที่เข้ามาบวชใหม่ๆสมัยนี้ก็บวชแค่3มวันเจดวัน9วัน <c oughs> แล้วก็ไม่ค่อยศึกษาธรรม บวชมาก็นั่งๆ น, นอนๆอนเล่นลายโทรศัพท์ทั้งวันเจ้ามาก็ไปบินธรมบานไม่ได้ศึกษาพัทธมวิ น, นัยตอนบวชก็บวชง่ายเข้ามาโอปชาก็ได้ตังค์ไปหรูสวดก็ได้ตังค์ญาติโยมพ่อแม่ก็จ่ายตังค์ไปเชิญแขกเหลือมาก็แจกการแจกอะไรก็ได้ตังค์ หมุนเวียนกันเหมือนกับธุรกิจเหมือนการทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้แรงแล้วก็ขึ้นแรงกันบางคนบอกว่าขึ้นแรงคนไปเยอะแล้วบวชลูกก็จะได้แจกการดเอาคืนบ้างผมฟังแล้วก็รู้สึกละอายละเครองใจ ว่าโอเนาะการบวชเนี่ยเหมือนกับการจัดงานเพื่อขึ้นแหล่งซึ่งกันและกัน ม, มีนินดาตะดนตีมีมโมลัสพบอย่างมากมายโห่แห่หโหมโคมนาจัดกันโต๊ะจงโต๊ะจีนอาหารการกินหมูเห็ดเป็ดไกลล่ร้มตายไหมไม่ใช่น้อยแต่คนที่บวชเข้ามาเนี่ย รู้สึกเวทนาใจไม่รู้ว่าบวชเข้ามาทำลายศาสนาทำลายชีวิตพอดทำลายชีวิตแม่บวชเข้ามาก็ไม่สามารถที่จะคลองสินสินก็ ค, คือความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจไม่รักษาพระธรรมวินในทำให้เกิดขุนเคืองในหมู่คณะ ถ้าไม่หมู่กันนะและพ้พบตุาตนาเนี่ยมีความเสื่อมสลายเสื่อมเสียการกินการอยู่ก็ไม่ได้พิจารณาหาเหตุหาผลการประพฤติปฏิบัติก็ยากที่จะทำได้เพราะครูบาอาจารย์ก็เหลือน้อยเหมือนเราได้มีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่เรียนแล้วก็ไปได้ดีได้ดีเป็นเจ้าใหญ่ในโต้ก็แห่กันไป แห่กันไปเรียนในสำนักเรียนเช่นมหาไรจุลาอนุทพยายามสอบเด็กสอบไปได้ถึงก็ฆ่าตัวตายในสถาบันต่างๆที่มันมีชื่อมีเสียงยึดมั่นถือมั่นโรคเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำให้เด็กๆ เ, เนี่ยอยู่ในวัยเรียนเนี่ยเรียนอะไรก็ได้ เพราะแค่โรงเรียนไอ้คำว่าโรงเนี่ยมันน่ากลัวนนะโรงก็คือความตายแล้วโรงเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วโรงแรมนี่ก็แย่และนอนไม่ได้ต้องเสียตังค์ถ้าโรงพักขึ้นมาก็ต้องติดคุกนะคำว่าโรงเนี่ยหรือว่าโรงศพเนี่ยมีอันว่าตายแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย กำลังติดเทอร์โบให้กับลูกตัวเองติดลงคือความตายของตัวเองเมื่อผีเนี่ยมันอยู่ในโลงก็ยังไม่น่ากลัวมองไม่เห็นก็เหมือนกับลูกที่อยู่ในความดูแลครอบครองในตัวตนของเราเชื่อฟังในคำพูดคนที่เลี้ยงลูกตอนเล็กๆ เ, นเหนื่อยกายแต่รู้สึกสุขใจเมื่อเห็นลูก พัฒนาขึ้นยิ้มเลยเห็นลูกยิ้มให้หัวเลาะเรียกพอ่อเรียกแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงกระทุ่มเทหนึ่งชีวิตมีอะไรก็โอนให้ลูกหมดถ่ายเทให้ลูกให้หลานหมดในขณะที่ผีมันตายอยู่หนึ่งวันเนี่ยก็ยุ้สึกเศร้าโศก แต่ตอนเกิดหนึ่งวันแรกเนี่ยพ่อแม่รู้สึกดีใจนักปฏิบัติค่อยๆ ค, คิดตามไปคนนี้เกิดหนึ่งวันแรกเท่ากับผีตายวันแรกวันแรกรู้สึกว่าตายเนี่ยรู้สึกเสียดายร้องห่มร้องไห้เสียใจมีได้กับเสียไงยชีวิตหน้ามือกับหลังมือนักปฏิบัติทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ความคิดที่เป็นบุญกุศลกับอกุศลมันเป็นของคู่กันก็คือดีกับชั่วนั่นเองในขณะนี้เนี่ยเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีมาประกอบคุณงามความดีและความชั่วก็คือความมัวหมองทางใจก็คือกิเลสปัจจากเป็นสมุทเฉตคือความบริสุทธิ์ให้เป็นสมุทเฉต เราไม่เคยมีความบริสุทธิ์เราไม่เคยมีจิตใต้สำนึกที่ขัดเกลาจิตใจตัวเองอย่างนี้จึงรู้สึกว่าอึดอัดทรมานเหลือเกินในครั้งแรกเราไม่เคยห้ามปามสติและจิตใจของเราเลยรู้สึกกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านในที่สุดครั้งแรก ในขณะนี้เนี่ยพอเราฝึกมันจนชาญจนชินชาญแปลว่าชินยานแปลว่าอย่างรู้คำว่าอย่างเนี่ยหมายถึงว่าใจคนเราเนี่ยมันอย่างได้ที่ไหนมันลึกแค่ไหนเราก็ยังไม่ทราบทะเลว่าลึกแล้วเรายัางหลังอย่างได้นะท้องฟ้าว่าสูงแล้วเรายังขึ้นไปได้ถึงโลกรัจจ์ แต่ไอ้ใจคนเราเนี่ยเรายัางได้ไหมเรียกว่าจิตใต้สำนึกนั่นเองเราเป็นวิญญาณที่อยู่ในสภาพของอากาศล่องลอยจับต้องไม่ได้เหมือนเราตายไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้มันละเอียดเหมือนกับโรคที่หมอเขาพิสูจน์ต้องใช้กล้องจุลทรรศ นำเลือกไปส่งดูเอาไปใส่สารต่างๆนานาให้มันออกมีปฏิกิริยาตรงกันข้ามเพื่อให้มันออกอาการต่างๆของโลกนั้นเราไม่สามารถพิสูจน์ด้วยตาปราบและมองเห็นได้เหมือนในอากาศที่ว่างๆมันมีนมไอน้ำอยู่ก็คือมีความเย็นอากาศที่โล่งใสเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอยู่ ลองลอยตามอากาศเราก็มองไม่เห็นฉันใดกับฉันนั้นถ้าเราไม่ถูกฝึกเหมือนกับหมอที่เขาฝึกวิชาความรู้ในเรื่องของเทคนิคการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือว่าจะต้องใช้อย่างไรคิดอย่างไรบวกลบคูณหารและคำนวณออกมาเป็นอย่างไรต้องมีวิชาเคมี ต้องใช้เคมีมีปฏิกิยามียาปฏิชีวนะหลากหลายที่ทำให้มันเกิดขึ้นแต่ชีวิตของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นนักวิทยาศาสต์เป็นนักสงเคราะห์แล้วก็เป็นนักอนุเคราะห์เาเรียกว่ามีประชาสงเคราะห์การเรียนรู้ของวิชาที่เรา สามารถที่ไปเรียนรู้ตั้งแต่ป .1 จนถึงป .6 ก, ก็เรียนตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนุคู่เป็นสละนะแล้วก็เอามาผสมกันวะแล้วก็ามาอ่านกันแล้วก็มาแปลกันว่าจะต้องออกมาเป็นตำเนียงนี้และความหมายก็เป็นอย่างนี้เรียกว่าการเรียนรู้ภาษา แต่ภาษาของธรรมชาติธรรมชาติเราเกิดมาเป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยไม่ต้องเรียนรู้เลยพูดได้นี่คือเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติของเรานั้นเริ่มจะเสียไปมันไม่เป็นธรรมชาติความรู้เรามันเกิดจากหน้าจอความรู้เราเห็นทางหูทางตาจเจริญด้วยหูตา แต่เราไม่ได้เจริญด้วยความเป็นข้อเท็จจริงนะมีข้อเท็จกับจริงสัตจักคือความจริงที่หลวงพ่อพูดอยู่นี้เนี่ยกลังเป็นความจริงตั้งแต่เรารู้สึกว่าเรามีโลงเพิ่มขึ้นนะโลงก็คือโลงละครหญิงกับชายเนี่ยเกิดสเปคกัน กิดร่วมหอร่วมหอเนะี่ยคว่าหอเนี่ยมันอยู่คนเดียวได้ที่ไหนหอนักเรียนเนะี่ยโรงเรือนเนี่ยมันต้องอยู่กับคนมากๆจากที่เราคนเดียวเนี่ยก็มีห้องเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเรือนหอมีโรงเรือนก็จะต้องมีคนอยู่เยอะนะ จากที่เราคิดน้อยเราก็เริ่มคิดเยอะขึ้นจากที่เรามีคนน้อยเราก็เพิ่มคนขึ้นจากหนึ่งก็เป็น2จาก2ก็เป็น4จาก4ี่ก็เป็น8มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันมีจํานวนมากขึ้นก็จะต้องแสวงความยากลําบากมากขึ้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ลองนึกดูสิว่า มันหนักนักสาหัสสากรเราค่อยค่อยนึกเข้าไปในใจเรามาพิจารณาว่าโอ๋นออนาคตกระทั่งว่าคอควายหัวอยักก็เรียกว่าอนาคตอนาคตเราคงจะต้องงองอิงออีกกล้องหัวหงอกหนังเหี่ยวฟันหักก็เข้ามายังสมาถา เมื่อเรารู้เหตุรู้ผลแล้วเราก็ค่อยๆมองเข้าไปในใจสภาพจิตของเราก็รู้สึกเวทนาใจรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกมองเห็นสัจธรรมก็คือความจรงิง <c oughs> <c oughs> ความจริงมันเกิดขึ้นทางใจเราก็มองเห็นอนาคตแล้วก็มองเห็นปัจจุบัน ปัจจุบันเรายังไม่เห็นตัวอเวทนาแค่ปวดเมื่อยธรรมดาท่านทั้งหลายเคยมรณาโนตสติมั้งหรือเปล่านักปฏิบัติถ้าท่านไม่เคยพิจารณามรณ า, านุสติในตัวตนของการปฏิบัติเรียกว่าสมถะแล้วท่านก็จะไม่เกิดวิปัสสนาเห็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตา ในขณะที่เราป่วยเนี่ยก็เริ่มแล้วร่างกายเราเริ่มแปรปวนธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเริ่มแปรสภาพที่อ่อนล้าลงในขณะโกรธเนี่ยใจของเราก็จะเต้นแรงขึ้นมันขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งของความคิดที่ดีในขณะนี้เนี่ยใจหัวใจของเราเนี่ยจิตวิญญาณเราเนี่ยเต้นสม่ำเสมอ เป็นปกติรู้สึกร่างกายมันนิ่งเฉยสบายแต่ในขณะหิวเนี่ยร่างกายเรารู้สึกจะปวดท้องทันทีในขณะโกรธเนี่ยรู้สึกเหงื่อมันออกหัวใจมันจะเต้นแรงทันทีเพราะนั้นเครื่องสติความรู้ตัวของเราเนี่ยแปรปวนอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องตั้งสตินังไงตั้งสติตัวตรงให้นิ่งเฉยอุเบกขาคือวางเฉยเข้าไปสู่สภาวะชินก็แปลว่าฌานยานก็แปลว่าอย่างรู้บางคนนักปฏิบัติบอกว่าเราเข้ายานไหนแล้วยานหนึ่งยานสองยานสามไม่ต้องถึงยานหนึ่งยานสองยานสามอะ ตีสีก็ขอให้มึงลุกเถอะมึงยังไม่ค่อยอยากจะยานเย็บเยบยังไม่ออกมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยถึกถูกฝึกพอฝึกใจตัวเองแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกรู้ใจตัวเองในขณะนี้การพิจารณามรณานสติเรายังไม่เคยตายได้แต่เห็นคนอื่นตาย เรายังไม่เคยเห็นความป่วยหนักแทบจะเอาชีวิตไม่หลอดเราก็ยังไม่เคยแต่ตอนนี้เราฝึกไว้เนี่ยเพื่อบันปลายบันปลายชีวิตบันปลายชีวิตก็จะต้องแก่จะต้องตายไปในที่สุดในขณะที่ก่อนตายเนี่ยถ้าขาดสติใจก็ฟุ้งซ่านกลัวแต่ความตายทุ่นลนทุ่นลายเงือออกใจเต้นไม่เป็นปกติ สภาพเครียดมากขึ้นนึกได้ปรุงแต่งแต่เรื่องแต่ว่าความชั่วทั้งนั้นกลัวว่าเขาจะเอาทรัพย์สมบัติไปกลัวเมียกลัวผัวจะมีโชว์ถ้าเราตายลงไปลูกจะอยู่ยังไงจะกินยังไงตัวเองยังคิดไม่ได้ว่าเราจะตายอยู่แล้วยังจะไปห่วงชาวบ้านในขณะที่คนไม่ได้ฝึกสติสติก็รู้สึกว่าเสื่อมลงไป ร่างกายก็เริ่มเสื่อมลงไปธาตุทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้สึกอ่อนล้าลงไปในขณะหนาวเนี่ยคนป่วยใกล้าตายเนี่ยมันหนาวไม่จะตัวมันจะเย็นไปทั้งตัวเลยค่อยๆพิจารณาธาตุน้ําไปว่าร่างกายของเราเนี่ยมีน้ําอยู่ไหนในตัวเราเนี่ยในขณะที่มันป่วยใกล้าตายเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยมันวิ่งสู่หัวใจ มันไม่ได้เย็นทั้งกายแต่เราจับตัวเนี่ยตัวจะเย็นคนใกล้าตายเนี่ยมันจะเย็นเจ็บเลยแต่คนใกล้าตา ย, ยมันจะหนาวจับขัหัวใจความเย็นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่หัวใจก็คืออยู่ที่วิญญาณก็คือจิตของเรานั่นแหละจะหนาวปากคอสัน่นสต๊กสะตานร่างกายเนี่ยจะซีดลงไปทันทีแสงเสริมร่างกายเราจะต้องอาศัยแสงอาศัย สีต่างๆของพืชเนี่ยเริ่มเสื่อมลงไปผิวหนังของเราเนี่ยก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็ลอยรูคุ้มขนเนี่ยก็จะเริ่มขยายปิดไม่ได้แล้วเริ่มเปิดเปิดให้เชื้อโรคเข้ามาทางกายมันจะหนาวจับขั้วหัวใจเลยคนก่อนตายพิจารณาตามไปด้วย อาการหนาวก็คือน้ำเนี่ยมันคู่กับไฟคนใกล้ตายเดี๋ยวหนาวเสร็จอยู่ๆมันก็ร้อนขึ้นมาพราะเลือดลมมันเริ่มไม่เดินแล้วเหมือนในขณะนี้เนี่ยที่เราเน็บกินเนี่ยเลือดลมมันเดินไม่สะดวกขาเนี่ยมันเป็นเน็บเหมือนจะแตกเลยร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะประครับประคองมันได้เพราะจิตใจก็ฟุ้งซ่านด้วย จากหนาวก็ามาเป็นร้อนร้อนร้อนขนใกล้ตายก็เรียกว่าธาตุไฟมันจะแตกเหงื่อมันออกทุกลูกขุมขนเลยคนน่ยมันเสียน้ามากและขาดความสมดุลหมุนเวียนเนี่ยมันเหมือนเบ่งตัวจะแตกเหมือนเราอืดผะอืดผ ะ, ะอมเสร็จแล้วหนาวเสร็จไม่พอก็ร้อนร้อนเนี่ยมันร้อนเข้าข้อ ห, หัวใจอีกมันไม่ไปไหน มันมีความร้อนขึ้นไปเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่หมุนเวียนเลือดไม่หมุนเวียนมันจะเป็นทุกขเวทนาร่างกายเราจะปวดล้าวไปทั้งตัวเหมือนกระดูกเนี่ยมันจะแตกผลเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพราะเลือดลมมันไม่เดินเราก็ทุนนท่นลนทุ่นลายร้อนเหมือนกับถ่านแดงๆในในเตาถ่ า, าน ใจมันเล่าร้อนร้อนลุ่มลุ่มเาเรียกว่าร้อนลุ่มกุ้มใจร่างกายก็ขยับไม่ได้เดี๋ยวร้อนเปลี่ยนก็มาเป็นหนาวอีกแล้วจิตใจเราก็สับสนวุ่นวายสมองที่เราเคยคิดคือสติสติปัญญาเนี่ยสมองเนี่ยที่มันเคยมีไอกับ EQ ความคิดฟุ้งส่านขาดจากความเป็นมนุษย์แล้ว ความคิดที่ดีๆเริ่มดับลงไปเพราะเราไม่เคยสะสมคุณความความดีไม่เคยฝึกสติก็คิดเสื่อมลงจากมนุษย์เรียกว่าจิตตกแล้วพอจิตตกถึงอบายภูมิภูมิของวิญญาณก็มองเห็นวิญญาณมาล้อมเตียงบ้างละเมอเพือพบตาที่เคยใสยก็ฝ้ามวัวม่านตาก็เลือกไปเลือกมาปากก็แหก พูดไปพูดมาในสิ่งที่ตัวเองเห็นตามสภาพของจิตที่ตกต่าลงเหมือนการเสื่อมของจิตที่ตกต่าไปอยู่ถึงจิตวิญญาณก็คือใกล้าตายคนที่มีสติก็จะรู้สึกภาวนา น, นึกถึงพระคนที่ไม่มีสติก็ไม่นึกถึงพระไม่นึกถึงคุณความดีจะกลัวมาก เพราะตัวเองไม่เคยทำคุณงามความดีก็จะนึกถึงลูกบ้างผพะวบ้างเมียบ้างญาติคนนั้นคนนี้ตายไปแล้วก็พูดเพ้อเจ้อลงไปเหมือนคนแก่ที่ยังไม่ตายเรียกว่าความจำของคนแก่เนี่ยมันเสื่อมไปเ็าเรียกว่าหลงขี้ของตัวเองยังจับมาเล่นเลยคนแก่ พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ญาติคนนั้นพูดถึงคนตายเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่คนที่แก่ลงแล้วที่ยังไม่ตาย <c oughs> <c oughs> เรามาพูดถึงความร้อนความหนาวเนี่ยมันสะบัด ร, ร้อนสะบัดหนาวสภาพของการหายใจธาตุลมก็ไม่หมุนเวียนในร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เข้า ออกก็ไม่ออกต้นหลนต้นดายมือหงิกตีนหงิกหูเหลือกตาเลือกทวารก็เปิดขี้เยียวก็ออกมาความตายของท่านเนี่ยวาระสุดท้ายที่ท่านฝึกอยู่เนี่ยท่านจะรู้สึกว่าเราจะทรมานน้อยกว่าคนที่ไม่ถูกฝึกในขณะฝึกเนี่ยเราก็หายใจน้อยเดียวนะกินกันน้อยนอนกันน้อยแล้วก็ มีจิตฟุ้งซ่านเนี่ยน้อยลงบุญก็ <c oughs> บุญก็คือความว่างเปล่าบาปก็คือความว้าวุ่นใจคนที่มีบุญเนี่ยมักจะไม่มีจิตใจที่ฟุง้งซ่านจะมีสติปัญญาดีจะเรียนรู้จดจาอะไรก็ได้คนที่มีบาปเนี่ยมักจะประครับประคองความคิดจะเรียนก็เรียนไม่เก่ง จะคิดอะไรก็คิดไม่ได้ต้องฟังคนอื่นและเอามาทําตามเขาอะไรที่ตามเขาเนี่ยไม่ได้นําหรอกนะมันอยู่ท้ายหนอนะนะี่คือบาปคนที่ทําบาปไว้มากคนที่โกหกมากเนะถียงพ่อเถียงแม่ด่าพ่อด่าแม่กงพ่อกงแม่กงพี่กงน้องเนี่ยมันจะโง่ขึ้นไปทุกทีทุกที มีลูกก็จะได้ลูกโง ộ, มก่มีลูกเขยมีลูกสะภ้ยก็จะได้ตระกูลที่โง่โง่ยาบก้านจิตใจจะทํางานการสิ่งใดก็ตกต่ําลงมีลูกเขยเป็นผ่านโรงโอ้ฉลองกันเจ็ดวันได้ลูกเขยเป็นผ่านโรงแต่คนที่มันต่ําลงไปอย่างนั้น มีลูกเคยสักคนลูกสภัยสักคนมีหลานสักคนเนี่ยก็หาดีไม่ได้ที่จะไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนใกล้ตายมรณานุสติเนี่ยลมหายใจเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกมันอึดอัดร่างกายเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวโตในขณะที่เราปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน เราปฏิบัติพอถึงเข้าจิตโซลละเอียดสภาพของจิตวิญญาณกายวิญญาณเริ่มแยกแยะออกจากกันหายใจเข้ารู้สึกนิดเดียวบางทีนักปฏิบัติหายใจไม่เข้าหายใจออกตัวรู้สึกพองตัวขึ้นร่างกายเหมือนยืดขึ้นใหญ่ขึ้นเล็กลงใหญ่ขึ้นเล็กลงตามสภาพที่เคยปฏิบัติที่ผ่านมาที่หลวงพ่อเป็น เวลานั่งอยู่เหมือนกับเหาะได้มันลอยได้ร่างกายเรานึกจะลอยขึ้นมาเลยแล้วก็ล่วงลงไปในขณะที่หายใจออกพอหายใจขึ้นเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาแล้วก็ล่วงลงไปมันเป็นไปได้ในขณะที่เราทําเนี่ยเราไม่เคยเกิดขึ้นหลวงพ่อะจะไม่เล่าจะไม่บอกเด็ดขาด จะสอนตามสภาพที่เกิดขึ้นแต่บอกแล้วเล่าแล้วเราก็เป็นกิเลสอีกคำว่าเล่าเนี่ยมันมึนมันงงมันทำให้เราเนี่ยละเมอเพ้อพบอยากเป็นอย่างที่เขาเป็นมันก็ไม่ใช่ธรมธรมไม่ใช่ธรรมชาติก็เหมือนกับเหาะเหิน เ, เดินอากาศเครื่องบินนั่นแหละเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทัางหลายเข้าสู่สภาวะสมถะแล้วก็วิปัสสนา โดยไม่รู้ตัวแล้วในขณะนี้ที่หลวงพ่อค่อยๆพูดว่าทำไมเรานั่งนานขึ้นทำไมเรารู้สึกหายใจน้อยลงบางครั้งเราก็หายใจนึกว่าเราไม่หายใจบางวันเราก็นึกว่าเรานั่งไปแป๊บเดียวบางวันมันก็ทรมานตั้งแต่นั่งแล้วสภาพของจิตเราเนี่ยแปรปวนอยู่ตลอดเวลา แต่เข้าสู่สภาวะกายกรรมเนี่ยมันจะปวดเมื่อยล้าอ่อนเพลียววจีก็หมายถึงคำพูดฟังแล้วเราก็ไม่เข้าใจฟังดีก็เป็นไล่จากพูดไลก่กับกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันไปก็ต้องระวังหูตาก็เรียกว่า น, นิวอณนเสียดายเวลาพวกเรามันมีน้อยเนอะมันต้องค่อยๆประหละ่อประคับประคองเหมือนการเลี้ยงลูก พวกเราเนี่ยก็ต้องประครับประคองจนถึงทุกวันเนี่ยเริ่มจะดีเริ่มจะได้เข้าสู่สมถะวิปัสนาต่อไปก็เรื่องปัญญาล้วนๆที่หลวงพอ่อจะสอนจะเข้าสู่สภาวะของจิตที่เป็นทิพตเรียกว่าจิตเป็นทิพตอะไรที่จิตเป็นทิพตก็คือแค่เรานึกเนี่ยนึกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีคนโทรมาแล้ว นึกว่าอยากทานโน่นทานนี่เออเราไปอยู่ๆก็มีคนเอาของมาฝากที่นึกว่าเออเราจะต้องเป็นอย่างนี้เ อ, อ้ามันเป็นจริงเรียกว่าจิตเป็นทิพจิตเป็นเทวดานตะ่เริ่มแรกจิตก็เป็นมนุษย์ก่อนเป็นคนก่อนขออภยัยเป็นคนแล้วก็มาเป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สมบัติ แล้วก็เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรมก็เรียกว่ามีญานหนึ่งยานสองยาน3ที่ก็พูดกันนั่นแหละแล้วก็ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสที่เข้าสู่สภาวะของอุปกิเลสให้หลุดพ้นเป็นสมุเทเฉก็เข้าสู่สภาวะพระอรหันต์พระอริยสงฆ์เข้าไปเรื่อยๆไล่ไปเหมือนกับปหนึ่งปสองปาสา ป, า ส, าปาสี่ปห แต่หลวงพ่อสอนเราเนี่ยจะไม่บอกเรื่องฌานญาณเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะหลงฌานหลงญาณหลงสภาวะที่เกิดขึ้นที่ก็เป็นร่างทรงกันมีภาษาหาอะไรก็ไม่รู้วิวิดวัดวั ด, ว ด, วดแต่งตัวเขียวปัดเป็นพระอินมาแล้วเนเป็นเจ้าเทพเจ้ากวนโอมั่งเป็นเทพเจ้าพระเจ้าตากศิลกลวยตากมั่ง เป็นพระลักษพระหาอะไรเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นเทพเจ้าแม่เจ้าพอเป็นเจ้ายังวุ่นวายขนาดนี้เป็นเจ้าวาดก็หนักแล้วเป็นเจ้าหัวใจเราเราก็ฝักไฟแย่แล้วเราจะมาเป็นร่างทรงเข้าไปอีกทรงอยู่ไม่ได้นะทรงพระองค์ทรงเสด็จตายแล้วเลยมาเป็นเจ้าเป็นผี เป็นวิญญาณที่มาแฝงฝังตามเครื่องปรุงแต่งของอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามสภาวะของกิเลสนั่นเองเอาระเจ้าเช้าอย่างนี้ก็ขาดว่าคงจะสบายใจโล่งใจ ยังเหลืออีกหนึ่งลาตีพรุ่งนี้จะว่าเข้าไปลึกเข้าไปอีกถึงมรณานุสติดินน้ำลมไฟอากาศสาท้านแปรปวนแตกสลายดับและออกอย่างไรตอนถึงดับเนี่ยเราเห็นสภาพเรารู้เลยว่าไปดีไม่ดีก็เหมือนเรากินดีอยู่ดีเนี่ยเราดูสภาพการแต่งกาย ผิวพรรณสถานะของความเป็นอยู่การคิดการอ่านการปรับตัวการอยู่กับสังคมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบุคคลคนนั้นอยู่ในระ ด, ดับไหนเอาละค่อยๆถ อ, อนสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาทำให้เป็นปกติกันแล้วค่อยๆลืมตา